ความโกรธไม่ดีมีแต่เสียในการที่จะนิมนต์สมเด็จไปเทศถ้ากำหนดเวลาท่านไม่รับถ้าไม่กำหนดเวลาท่านรับทุกแห่งตามแต่ท่านจะไปถึงลราวหนึ่งเขานิมนต์ท่านไปเทศที่วัดหนึ่งในคลองมอญสมเด็จไปถึงแต่เช้าเจ้าภาพเลยต้องจัดให้มีเทศพิเศษขึ้นอีกการหนึ่งเพราะกำหนดเอาไว้ว่า จะมีเทศคู่ตอนฉันเพลนแล้วเมื่อสมเด็จไปถึงก่อนเวลาเลยต้องนิมนต์ให้เทศเป็นพิเศษเสียก่อนการหนึ่งพอสี่โมงกว่าพระพิมนลธรรมถึกคู่เทศก็ไปถึงสมเด็จก็หยุดลงฉันเพลนครั้นฉันแล้วก็ขึ้นเทศสมเด็จถามท่านเจ้าถึกท่านเจ้าถึกติดเลยนิ่งสมเด็จบอกกล่าวสับบูรุษว่าดูนะดูจัจจะ ท่านเจ้าถึกเขาอิจฉาชั้นเ็เห็นชั้นเทศสองกันก็ เ, เทศยังไม่ได้สักกันก็จึงอิจฉาชั้นฉั้นถามเขาก็าจึงไม่พูดถามไม่ตอบนั่งอมได้ยินว่าทายกขอจัดเครื่องกันในท่านเจ้าถึกไดเท่ากับสองกันเรื่องเท่ากันแล้วท่านเจ้าถึกจึงถามบ้างว่าเจ้าคุณโทโสเป็นกิเลสสำคัญพาเอาเจ้าของต้องเสียทรัพย์ เสียชื่อเสียงเงินทองเสียน้องเสียพี่เสียที่เสียทางเสียอย่างเสียธรรมเสียเหลี่ยมเสียแต้มก็เพราะลูกแกอำนาจโทโสให้โทษให้ทุกแกเจ้าของมากนักก็ลักษณะแรกโทโสจะเกิดขึ้นเกิดตรงที่ไหนก่อนนะขอรับขอให้แก้ให้เขาสมเด็จนั่งหลับกรนเสียด้วยท่านเป็นไม่ได้ยินคำถามท่านเจ้าถึกก็ถามซ้าอีกสอถึงสามครั้ง สมเด็จก็นั่งเฉยท่านเจ้าถึกชักเฉิวตวาดแหววออกมาว่าถามแล้วไม่ฟังนั่งหลับในท่านเจ้าถึกตวาดซ้ำไปสมเด็จตกใจตื่นแล้วด่าออกไปด้วยว่าไอ้เปรตไอ้กากไอ้หาไอ้ถึกกวนคนหลับท่านเจ้าถึกมีพื้นเฉียวอยู่ก่อนแล้วรั้นถูกด่าเสียเกียรติในที่ประชุมชนเช่นนั้นก็ชักโกรธชักฉิวลืมสังวร จึงจากประโณนปามาตรงสมเด็จสมเด็จนั่งภาวนากันตัวอยู่ประโทนไพรไปโดนเสาสลาประโณนแตกเปรี้ยงดังสมเด็จเทศผสมซ้าแกลักษณะโทโซว่าสบบุรุษดูสิเห็นไหมเห็นไหมเจ้าคุณพิมลธรรมองค์เนี้ยท่านดีแต่ชอบคำเพราะๆแต่พอได้รับเสียงด่าก็เกิดโทโซโอหังเพราะอนิถารณ์ รูปด่างที่ไม่อยากจะดูมากระทบในตาเสียงที่ไม่น่าฟังมากระทบหูกลิ่นที่ไม่น่าดมมากระทบจมูกรสที่ไม่น่ากินมากระทบลิ้นสัมผัสความกระทบถูกมากระทบถึงกายความคิดที่ไม่สมคิดผิดหมายมากระทบใจให้เป็นมูลมารับเกิดสัมผัสชาวเวทนาขึ้นภายในสํารวจไม่ทันจึงดันออกข้างนอกให้คนอื่นรู้ว่าเขาโกรธ ดังเช่นเจ้าคุณพิมลธรรมเป็นตัวอย่างถ้าเขาย่อท่านว่าประเดชพระคุณและท่านยิ้มพอเขาด่าก็โกรธโทโซเกิดในทวารหกพระถูกกระทบกระเทือนสิ่งที่เป็นอนิจจารมไม่พอใจก็เกิดโกรธแต่โทโซก็ไม่มีอำนาจกดขี่เจ้าของเลยเว้นแต่เจ้าของโง่เผลอสติเช่นพระพิมลธรรมถึกนี้ โทโซจึงกดขี่ได้ถ้าฉลาดแล้วระวังตั้งสติไม่พลุงพล่านโทโซเป็นสหาชาติเกิดกับด้วยจิตไม่ได้ติดอยู่กับใจถึงเป็นรากเง่าเขาหมูนก็จริงแต่เจ้าของไม่นำพาหรือคอยห้ามรามคมขู่ไว้โทโซก็ไม่เกิดขึ้นได้เปรียบเช่นพืชพันเครื่องพาปลูกเจ้าของอย่าเอาไปดองอย่าเอาไปแช่ อย่าเอาไปหมักในที่ช่ำแฉะแล้วเรื่องพืชพันธ์เพาะปลูกทั้งปวงไม่ถูกชื้นแล้วงอกไม่ได้โทโซก็เช่นกันถ้ามีรับให้กระทบถูกแล้วโทโซก็ไม่เกิดขึ้นได้ดูแต่ท่านเจ้าถึกเป็นตัวอย่างตัวท่านเป็นเพศพระรันท่านขาสังวรท่านก็กลายเป็นโคกระโทนเลยพลอยแตกโคลเพราะโทโซของท่านท่านรับรองยึดถือ ทำให้มูลแชะชื้นจงจําไว้ทุกคนเถินครั้งหนึ่งประเทศบ้านคุณนางผู้หนึ่งพอบอกสักรารแล้วคุยขึ้นว่าวันนี้เสียงคล่องเทศกุมารก็ได้คุณนางผู้นั้นเลยให้เทศทานองกุมารข่าวว่าเพราะดีผู้หญิงชอบ ครั้งหนึ่งเขานิมนไปเทศทิศลาบ้านหม้ออำเภอบางตะนาวสีกันชูชกท่านไปถึงยามสามเขาไปนอนกันหมดท่านไปถึงให้คนเจวตีกรองตุ่มตมขึ้นแล้วท่านเทศชูชกไปองค์เดียวชาวบ้านต้องลุกมาฟังท่านยันรุ่งวันหนึ่งไปเทศที่ไหนมาบ้านคุณนางอยู่ริมน้าเขาตั้งธรร ม, มาเทศยังไม่มา ท่านจอดเรือถือคำผีขึ้นธรร ม, มาดว่าอดอดคำว่าอดคำเดียวอยู่นานแล้วลงธรร ม, มาทไป